ตอนนี้ไปยึ่งพากันตั้งใจกำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ยๆๆอย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาป้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจ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 ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูบชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่าง อามิตรบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของเช่นดอกไม้ถูกเพี้ยนของหอมต่างๆมีเรียกว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามธรรม คำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้เต็มความสา ม, มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำเรือวิสั ย, ยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภค อ, อาหาร ในการเพลิดเพลินในมรรสอกทบงานต่างๆมูนี่สาหรับผู้ฝึกผลจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมรรสกกทบกานในฟ้อนรำขับร้อง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 ก็ความพเพลนะิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกคือมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดดวงนี้นะติดห้องอยู่ในโลกอันนี้เกลียวเกิดเกลียวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นก่แต่เพราะความพเพลิดเพนนี่ลหละเป็นมูลเหตุจัดทั้งหลายจะได้คล้องอยู่ในโลกนี้ ไอ้ผู้ใดชอบความสงบประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความสงบทาง จ, จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเดียดเดียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน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 พาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ห้าอันนี้ไปเรื่อยๆเยมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมากเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่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 ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่า น, นจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เป่าโย่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไป นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุ่โทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนมสําหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอก เมื่อเวลา ย, ยังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามสอบออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่ายก็ส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่ง บุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำมรวมจิตใจเข้ามาภายในให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันทำไมเห็นโทษนัน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 มันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี่แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห่านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเละไม่ต้องการในขันห่านี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจิตอะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าจริงใด เมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรปลวนในถ้มกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกสันิวาตอันนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางกันห้าอันนี้ ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมั่นไว้ฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันหน้านี่มันวิบัติแปรปวนไปจิตที่หวงขันหน้าอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัสภากจากโลกจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความ อินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆเห <ๆ S 1> มือนน่ะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกมีสีวิไลจริงๆ หน้าอยู่หน้าอาศัยจริงๆแถวหนนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาลรไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นใหม่นะั่นแล้วกหลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็ห้องอยู่อย่างนั้นแหละ ยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยระจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ร่าไปกเพราะว่าใจนี่แหละมันสําคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็น สิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันกิน่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ท่าไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่าง ก, กายสังขารนี่กับทุดโทมไปเป็นบางสิ่งืองอย่างไปก่อนถ้าหูไม่เสียก็ตาเสียตามมว อย่างนี้แหละเนื้อข้าหูดีตาดีเอาผมมันงอกอย่างนี้อ่ะถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันร่อนไปไม่ทันเท่าแกชะลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนอนะ่ะหรือไม่เะ่นนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บ อันรายแรงมาเบีย NO. ดเบียนเอาในเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งพอไม่เที่ยงของสพรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดี มันก็ล้วนแตเ่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปลวนในถ้ำกลางก็ แ, แตกกลับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่า อ, อภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทํำยังไงเมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโย ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันโยไม่สามารถจะระ ง, งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำอย่างไรก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละึุงเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แล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 และจะไม่หลงเพิดเพลินมัวเม า, เมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุกไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปังเอี่ยงนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดา ลุงป้านาอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทุดชมให้เราเห็นอยู่แล้วท่นไหนลราจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึ ก, กว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตนเลย เห็นแล้วก็เล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะี่ยจะอย่างงั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้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 เป็นพูกคิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่า น, นั้นแหละมาเนี่ยบาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันน่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบซ้่อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอันนี้ใจม่ชอบมันอยู่ เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแส่งทุกข์ให้เก่ดตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่ท่านรู้ตัวท่านกบเวนก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีค่าตัดเป็นต้น ดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาป <c oughs> มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกันบางคนเขาว่าอาการดื่มเหล้าเม้าสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทาไมถึงเป็นบาป มันไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระโถกกระทั่งเขาหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัดประหารผู้อื่นได้เลย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 นักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมทั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกำเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลย ก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวทิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันนะบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไร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 ตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้และจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละเราไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ย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 มันไม่ได้นึกโทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะเออถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยแต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกันฆ่าสตัตว์ในฉาญเอามาทําเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้ยบางคนก็เห็นไปอย่างเนี้ย เห็นอย่างนี้ได้ว่าไม่ได้เอามาเอาความเหม็นของตนไปเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวก น, นั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก่พระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้ ทำไมจึงไม่ไม่คิดดูบ้างนี่มันไม่คิดกเพราะอาวิชชาตัณหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพะฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนผู้นั้นจึงเชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแท้ ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบาุพติของตนเป็นไปตามธรรมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทงความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านชื่อว่าเป็นคนอาภัพนั่น ผู้ที่เป็นพับพระบุคคล น, นั่นะเป็นผู้มีความสามารถตั้งสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม้ขึ้นเที่ยวความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นยอ่อท่อถอยยินดีทำมันยังวันยังขําเลย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 บุญกสอนที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยา ย, ยามสังวรระวัง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 บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้วแล้วจะใช้กายวาจานี้ไปทําบาปทําไมอ่ะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างเนี้ยสอนใจตัวเองอย่างนี้ก็ร่างกายนี้มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกินอันปณีตบรรจงอย่างไร มาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลยยั่งยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศษรษฐีกหบรีผู้มีเงินเป็นโกดๆเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นซื้ออาหารอันประนิบรรจง มาหล่อเรียงร้างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจนบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นของคนจนก็มีไม่แน่อันโมนี้นะนักปรากผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยอมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละ เมื่อแต่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยล่ะ mm hmm. ก็ว่ากายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วผลที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนกข้ามาหาดวงจิตนี้ ดวงจิตนี้เป็นผู้ได้สวยผลแห่งบาปกรรมที่กายวาจาอ่ำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทําไมล่ะมันจะมันแตกกลับลงไปสู่พื้นดินเนะมันเป็นธาตุดินธาตุน้าําธาตุไฟธาตุลมไปหมดเลยมันจะมารับรู้ผลแห่งบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทําไมล่ะเอ่ ผู้มีปัญญาในพิจนาเห็นอย่างนี้ละ่ะก็ถึงไม่ทําบาปจึงในละเว้นบาปที่ได้รุ่มหลงทาํามาเพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทําแต่จิตเป็นผู้เวยผลคือความทุกข์